บทที่8ปน้ำมันหมดตกลงหนูให้สัญญากับหลวงพ่อค่ะว่าผ่าตัดแล้วหนูจะมาเข้ากรรมฐานคุณนายดวงสุดาให้คำมั่นสัญญาเพราะเชื่อที่ท่านพระครูบอกว่าเธอกำลังมีเคราะห์แต่กลับคิดไปว่าเคราะห์ที่ว่านั้น ก็คือต้องถูกผ่าตัดเข้าวันนี้ดีกว่าผ่าตัดแล้วคุณนายไม่ได้มาเข้าแน่อาตมารู้ท่านพระครูพยายามช่วยจนถึงที่สุดคงไม่ได้หรอกครับหลวงตาทางโรงพยาบาลเขาเตรียมห้องผ่าตัดไว้แล้วมีคนไข้รอคิวเยอะถ้าเราเลื่อนก็ต้องไปตั้งต้นใหม่ถึงผมจะเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ แต่ก็เป็นหมอใหม่ยังไม่มี p o w เวอร์อะไรหมอหนุ่มพูดตามประสบการณ์ของหมอประสบการณ์ทางกายภาพแต่หลวงตาหวั่นใจว่าคุณแม่ของหมอจะต้องเสียชีวิตในห้องผ่าตัดเพราะหลวงตาเคยมีประสบการณ์มาแล้วท่านพักครูก็พูดตามประสบการณ์ของท่านประสบการณ์ทางจิตภาพ ข้อนั้นหลวงตาสบายใจได้ครับแม่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากแค่มีจุดเล็กน้อยนิดเดียวที่ปอดผ่าตัดออกเสีเย้าหายถ้าผลัดไปอีกเจ็ดวันจุดอาจจะขยายใหญ่ขึ้นจนแบบอันตรายได้นะครับหมอหนุ่มอธิบายรู้สึกไม่พอใจท่านพระครูเพราะนอกจากท่านจะพูดไม่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วยังจะมาแช่งแม่เขาอีก ถ้าเช่นนั้นก็ตามใจหลวงตาคงช่วยได้เท่านี้แต่ก็ขอรับรองว่าถ้าเข้ากรรมาฐานจะไม่เป็นอันตรายอย่างที่หมอวิตกแต่หลวงตาก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างที่หลวงตาพูดลําพังคำพูดจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันอะไรไม่ได้หรอกครับลูกชายคุณนายดวงสุดาพูด เขาไม่นึกศรัทธาท่านพระครูเพราะท่านพูดอะไรไม่เป็นเหตุเป็นผลเสียเลยอยากกลับบ้านไปหาลูกชายวัยสองเดือนคิดถึงแล้วท่านพระครูเห็นว่าไม่สามารถที่จะพูดให้คุณนายดวงสุดาเปลี่ยนใจได้จึงพูดกับเท่าแกเสงและคุณกิมง้อว่าอาตมาพยายามช่วยเต็มที่แล้วนโยมเท่าแกหากเกิดอะไรขึ้นก็อย่าหาว่าอาัตมาไม่ช่วย นะอามานะประโยคหลังท่านพูดกับคุณกิมงาค่ะหลวงพ่อฉันเองก็ไม่สามารถบังคับเขาได้เพราะเขาเป็นตัวของเขาเองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วฉะเลี้ยงเขาได้แต่ตัวค่ะส่วนใจเลี้ยงไม่ได้หากเกิดอะไรขึ้นฉันก็คิดซือว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเด็จกันทั้งนั้น ฉันเห็นจะต้องลาละค่ะรู้สึกหลานเขาจะอยากกลับแล้วคุณกิมง้อพูดอย่างรู้ใจหลานหนูกลาบลาหลวงพ่อนะคะหากหนูทําอะไรพูดอะไรแล้วทําให้หลวงพ่อไม่สบายใจหนูก็ขอโอโหสิกรรมด้วยนะคะคุณนายดวงสุดาพูดทั้งนี้เพราะสัญชาตญาณมรณะได้มาเตือนโดยที่เธอไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะคุณนาย หากอาตมาพูดอะไรออกไปแล้วทำให้คุณนายไม่พอใจอาตมาก็ต้องขอโอโหสิกรรมจากคุณนายด้วยอาตมาพูดด้วยเจตนาดีไม่เคยมีเจตนาร้ายต่อคุณนายหรือว่าใครๆท่านไม่ได้อวยชัยให้พรคุณนายเพราะหากให้พร น, นั้นก็จะไม่สำมฤธิผลแล้วก็จะกลายเป็นว่าท่านให้พรทรงเดช เหมือนที่พระส่วนใหญ่เขาให้กันเมื่อท่านไม่ให้คุณนายดวงสุดาจิงทวงหลวงพ่อจะไม่ให้พรหนูเลยเหรอคะท่านพระครูจึงต้องให้พรว่าเอาละขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอวยพรให้ปลอดภัยจากการผ่าตัดด้วยสิคะคุณนายขออีกอาตมาเองก็ยังเอาตัวไม่รอด ดูสิถูกโบกปูนขาวไว้ตั้งครึ่งตัวแล้วจะกล้าไปให้พรคุณนายได้อย่างไรเกิดให้ไปแล้วคุณนายต้องมาเป็นอย่างอาตมาไม่ยุ่งกันใหญ่หรือท่านพูดยิ้มยิ้มเพื่อไม่ให้คุณนายคิดว่าท่านพยายามเลี่ยงนั่นสิคะหนูก็ลืมไปผมเห็นจะต้องกลาบลาหลวงพ่อแล้วล่ะครับหลวงพ่อจะได้พักผ่อนเถ้าแก่เสงเอ่ยขึ้น ขณะนั้นเวลาใกล้สามทุ่มแล้วจเจริญพรขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพท่านอวยพรอีกครั้งคนทั้งสี่ทำความเคารพท่านแล้วจึงพากันออกไปจากห้องคืนนั้นนอกจากจะสวดธรรมจักแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงยังนั่งกรรมฐานอีกเป็นเวลาถึงสองชั่วโมงทั้งที่อยู่ในภาวะอาพาธป่วยไข้ หากท่านก็ยังมีจิตเมตตาคิดที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่านจะแผ่เมตตาให้คุณนายดวงสุดาไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมานขณะที่ผ่าตัดเมื่อเธอจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปเกิดในสุคติเพราะตลอดชีวิตเธอไม่ได้ก่อกรรมทําเวรไว้กับผู้ใดแต่การที่เธอต้องอายุสัน้นเพราะแนอดิตชาตเคยทาปานาติบาตไว้เมื่อบุญกุศลหมดลงก็จึงต้องตาย หากเธอยอมเข้ากรรมฐานเติมน้ำมันให้กับชีวิตก็จะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2521เวลาสิบนาฬิกาสนาทีพระบัวเหี่ยก็ออกจากผลสมาบัติท่านตั้งใจว่าจะไปกราบศพ อุปชัยยาจาร์ก่อนแล้วจึงจะไปชั้นเพนยังหอฉันรู้สึกแปลกใจที่วัดดูเงียบเหงาอย่างไรชอบกนหรือว่าเขาอสบท่านพระครูไปยังวัดอื่นท่านคิดพลางเดินพลางไปยังศาลาสวดศพไม่มีศพตั้งอยู่ที่นั่นท่านจึงเดินไปยังหอฉันเพื่อจะถามพระมหาบุญครั้นไปถึงพระมหาบุญก็ทักทายด้วยสีหน้าปกติ ประสาจากอาการเศร้าโศกว่าขออนุโมทนาด้วยนะท่านได้กำไรชีวิตมากเหลือเกินผมชักจะอิจฉาแล้วสิศพหลวงพ่ออยู่วัดไหนเหรอครับพระโวเหียวถามทันทีที่พระมหาบุญพูดจบหากถามตอนท่านยังพูดไม่จบ ก, ก็จะเป็นการเสียมารยาทท่านไม่ได้มรณาภาพหรอกคุณโบโวเหียว คงเป็นเพราะคุณเข้าผลสมาบัติช่วยท่านกระมังพระมหาบุญยาวจริงเหรอครับและตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนพระหนุ่มรู้สึกดีใจดีใจจนต้องกำหนดดีใจหนอดีใจหนออยู่โรงพยาบาลถูกเข้าเฟือกตั้งครึ่งตัวมองผเพลินนึกว่ามัมมี่พระมหาบุญตอบติดตลก ถ้าอย่างนั้นผมจะไปเยี่ยมท่านท่านมาหาไปกับผมนะครับไปคนเดียวผมกลัวหลงเพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับท่านยำ้ำตกลงผมก็อยากไปเยี่ยมท่านอีกเมื่อวันก่อนไปทีหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่านฉันเพลนเสก่อนไม่ได้ฉันมาตั้งสามวันคงหิวแย่พระมหาบุญพูดอย่างเป็นห่วงครับ ผมยอมรับว่าหิวแต่พอรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้มรณะภาพผมดีใจจนหายหิวเลยงั้นคงไม่ต้องฉันมั้งแต่ผมก็ต้องฉันประเดี๋ยวน้ำหนักจะลดท่านพูดประชดก้อนไขมันที่กระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆในร่างกายของท่านอย่างท่านมหาต่อให้ลดสักยี่สิบกิโลก็ยังไม่เป็นไร แต่ผมสิถ้าลดอีกกิโลเดียวก็ไม่ไหวแล้วผมไม่อยากผอมอยากอ้วนอย่างท่านมหานั่นแหละจะได้ดูมีสง่าราศีหน่อยเอาละ่ะสนทนากันพอหอมปากหอมคอแล้วผมว่าเราไปฉันกันเถอะประเดี๋ยวจะได้รีบไปพระมหาบุญสรุปเพราะไม่อยากได้ยินถ้อยคำที่พูดจาพาดพิงถึงหุ่นอัน ง, งดงามของท่านท่านทีที่เห็นท่านพระครู พระโบเฮียวก็แทบจะทลันเข้าหาบรรดาญาติโยมผู้หญิงที่นั่งอยู่พากันหลบแทบไม่ทันสิทธิเอกนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบลงแทบเท้าอุปชายยาจา ร, รู้สึกตื้นตันจนน้ำตาไหลหลวงพ่อครับในที่สุดหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนที่ผมเกิดความรู้สึกมั่นใจอยู่ลึกๆว่าหลวงพ่อของผมต้องไม่เป็นอะไรพูดพลางใช้มือปาดน้าตา พวกผู้หญิงที่ใจอ่อนก็พลอยมีน้ำหูน้ำตาไปกับท่านด้วยส่วนพวกผู้ชายก็นั่งทำตาปลิดเปิดอะไรการบัวเหี่ยวฉันโดนเข่าเฟื่อกเกือบทั้งตัวอย่างนี้เธอยังหว่าไม่เป็นอะไรอีกรึท่านพระครูเริ่มยั่วน้องชายในอดีตชาติท่านรู้ว่าพระบัวเหี่ยวห่วงยายท่านมากเป็นพิเศษ ก็เพราะเคยผูกพันฉันพี่น้องกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติหากพระนมปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดสักวันหนึ่งก็จะรู้อย่างที่ท่านรู้ไม่ได้เป็นอะไรในที่นี้ผมหมายถึงไม่ได้มรณาภาพนะครับพระนมอธิบายทั้งที่รู้ว่าอุปชาตั้งใจยัว่วตั้งแต่ผมรู้ว่าหลวงพ่อจะละโลกนี้ไปผมก็ใจคอห่อเยี่ยว และผมก็พยายามอธิษฐานจิตว่าอย่าให้หลวงพ่อละสังขารก่อนที่ผมจะได้แก้กรรมให้เสร็จสิ้นแล้วคำอธิษฐานของผมก็สำเริจผลอ๋อที่ฉันรอดมาเนี่ยก็เพราะแรงอธิษฐานของเธอหรือถ้าเธอไม่อธิษฐานฉันคงตายไปแล้วใช่ไหมท่านพระครูยั่วอีกการได้ปะทะคาร์กับพระยวน ทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นอย่างน้อยก็ทำให้อาการคันในร่มเฝือกลดน้อยลงถ้าคันในร่มผ้าก็ยังพอเกาได้แต่คันในร่มเฝือกนี่สีมันทรมานนักทั้งคันทั้งร้อนจนอยากจะเปลี่ยนใจขอตายดีกว่าเพราะตอนตายนั้นท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่คันไม่ร้อนแต่ประการใดถ้าไม่เป็นเพราะผมอธิษฐานแล้ว จะเป็นเพราะอะไรแล้วครับพระหนุมชักไม่แน่ใจพระมหาบุญจึงตอบแทนท่านพระครูว่าเพราะแรงอธิษฐานหลวงพ่อตังหากแล้วพญายมราชก็เห็นด้วยกับท่านเลยอนุญาตให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อใช้หนีมนุษย์เป็นอย่างที่ท่านมหาพูดละครับหลวงพ่อพระหนุมถามเสียงอ่อยเธอคิดว่ามหาบุญพูดเท็จอย่างนั้นซิ หรือเธอคิดว่าฉันโกหกมหาบุญท่านพระครูถามกลับผมไม่บางอาจคิดอย่างนั้นหรอกครับขณะนี้ผมรู้แต่ว่าผมกำลังหลงตัวเองคิดว่าตัวเองปฏิบัติได้ถึงขั้นจนสามารถอธิษฐานจิตช่วยหลวงพ่อได้งั้นผมก็อสอบตกอีกวาระหนึ่ง พูดอย่างคนที่ยอมรับผิดบัวเฮียวเอ้ยเธอพูดในสิ่งที่ขัดกับคำสอนของพระพุทธองค์นะลืมซะแล้วหรืออัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรุยาใครไหนเราจะเป็นที่พึ่งได้สรุปว่าติดฉันรอดมาได้เพราะฉั้นช่วยตัวเอง ถ้าคนอื่นช่วยก็คงไม่ต้องมีการตายกันแล้วไม่มีใครช่วยใครได้หลอกบัวเหี้ยวเอ้ยคนเราเมื่อมีกรรมที่จะต้องตายก็ต้องตายตามกรรมบางคนพอจะยืดเวลาออกได้ถ้าเขาช่วยตัวเองถ้าเขาไม่ยอมช่วยตัวเองพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้ถ้านึกถึงคุณนายดวงสุดาและรู้ว่าเธอตายแล้วเพราะ วิสัญญีแพทย์ใช้ยาสลบเกินขนาดผ่าตัดเสร็จเธอจึงไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแพทย์ผู้นั้นไม่ได้มีเจตนาฆ่าเธอแต่กรรมของเธอมาให้ผลในอดีตชาติเธอฆ่าเขาไว้เพราะความประมาทมาชาตินี้เธอต้องตายเพราะความประมาทของเขาเช่นกันหากเธอยอมเข้ากรรมฐานและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรกรรมนั้นก็จะกลายเป็นอโหสิกรรม เธอก็จะไม่ต้องเสียชีวิตในวันนี้อย่างแน่นอนบัวเฮียลเธอจำคุณนายดวงสุดาได้หรือเปล่าท่านถามสิลูกสาวเท่าแก่เสิงหลานสาวเท่าแก่บกที่สามีเป็นผู้วารชการจังหวัดใช่ไหมครับแทนที่จะตอบว่าจำได้ครับพระนุมกลับสาธยายซะยืดยาวตามวิสัยคนช่างพูดนั่นแหละ ตอนนี้เขาตายแล้วตายเมื่อก่อนเที่ยงนี้เองเป็นอะไรตายครับแล้วใครส่งข่าวหลวงพ่อแพ้ยาสลบนะสิพระหมอให้ยาสลบเกินขนาดเมื่อวานเขาก็มากับพ่อแม่แล้วก็ลูกชายคนที่เป็นหมอฉันก็บอกให้เข้ามาเข้ากรรมฐานเขาก็ไม่ยอมบอกว่าผ่าตักเสร็จก็จะมาเข้าแม่เขาก็ช่วยพูดแต่เขาก็ไม่ฟังพ่อแม่ เขาเข้าถึงธรรมแล้วเขาไม่เอาผิดหรอกส่วนลูกอยากจะเอาผิดแต่ก็ไม่กล้าเพราะหมอคนนั้นเป็นอาจารย์ของเขาป่านนี้เขาคงรู้แล้วว่าทําไมฉันถึงรบเร้าให้แม่เขาอยู่วัดเมื่อวานถ้าเขาขอร้องให้แม่อยู่วัดแม่เขาก็จะไม่ตายแต่นี่เขาไม่ศรัทธาอาว่าฉันพูดไม่เป็นวิทยศาศาสตร์ท่านพระครูเล่าให้พระบุญเหียวฟัง นั้นก็แปลว่าคุณนายดวงสุดาตายก่อนพ่อแม่แล้วก็ตายก่อนอาเท่าแกบกเป็นมะเร็งจนผอมเหลืองแต่ก็ยังหายได้เพราะเชื่อหลวงพ่อพระหนุมนึกไปถึงน้องชายของเท่าแก่สิงถูกแล้วเท่าแกบกเขาศรัทธาพอหายก็ยังปฏิบัติต่อบุญกุศลก็เลยทำให้อายุยืนตอนที่ท่านช่วยเขา ฉันคิดว่าเขาคงจะอยู่ได้สักห้าปีแต่พอเขาไม่ทิ้งการปฏิบัติเขาก็จะอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆพระนุมได้ทีทวงขึ้นว่าก็ไหนหลวงพ่อบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถและทำไมไปช่วยเขาล่ะครับแต่ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองก่อนฉันจะช่วยเขาได้ไหมล่ะอย่าลืมว่าต้องช่วยตัวเองให้ได้แปิบเปอร์เซนต์ก่อน คนอื่นช่วยได้ยังมากที่สุดก็20เปอร์เซนแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะช่วยคนอื่นได้20เอร์เซนทุกคนก็หาไม่คนที่จะช่วยคนอื่นได้จะต้องปฏิบัติจนตัวเองได้เสียก่อนจึงจะสามารถช่วยคนอื่นได้ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ก็อย่าหมายว่าจะช่วยคนอื่นได้ท่านพระครูพยายามพูดให้เห็นความซับซ้อนของกรรม จริงสิครับผมยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยคือผมหมายถึงว่ายังแก้กรรมให้ตัวเองไม่ได้เลยยังคิดจะช่วยหลวงพ่อความจริงเธอช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ากรรมที่เธอทําไว้นั่นนะ่ะเธอต้องชดใช้ให้หมดก่อนเมื่อเธอละจากโลกนี้ก็จะได้ไม่มีเวรมีกรรมติดตามตัวไปจําไว้เลยว่ากรรมอะไรมาก็ต้องใช้ให้หมดเสียก่อนในชาตินี้ ถ้าไม่ใช้ก็ต้องไปใช้ในเมืองนรกแล้วก็ดอกเบี้ยอื้อเลยกรรมก็มีดอกเบี้ยด้วยหรอครับหลวงพ่อพระหน่มสงก์กามีสิอย่างที่ชั้นรดความคอหักเนี่ยชั้นใชหนี่สองรายพร้อมกันใชหนี่นกรายหนึ่งแล้วก็ใชหนี่เต่าอีกรายหนึ่งใช้ดอกหรือต้นครับพระโวเฮียวถามอย่างนึกสนุก อาจารย์ของท่านพูดเรื่องจริงได้สนุกมากนกใช้เงินต้นส่วนเตาเป็นดอกเบีย้ยเพราะเงินต้นใช้ไปแล้วเมื่อวันที่14ตุลาคม2514ตอนนั้นเธอยังไม่เกิดมั้งท่านยาวเกิดแล้วครับตอนนั้นผมอายุ24เพราะเกิดปี2490ว่าแต่ว่าหลวงพ่อใช้เงินต้นแล้ว ก็ยังเหลือดอกเบี้ยสิครับแล้วมารายจะใช้ดอกเบี้ยท่านพักครูรีบโบกมือข้างที่ยังดีอยู่ห้ามว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอตั้งหลักก่อนนี่หมอเขาบอกว่าฉันต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยจะทนไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันกลับโรงพยาบาลไม่ค่อยจะถูกกันเสด้วยท่านคิดว่าหากทนไม่ได้ก็จะหนีออกจากโรงพยาบาลเหมือนที่เคยหนี ออกจากโรงพยาบาลศิริราชตอนได้ยินหมอคุยกันว่าไส้ของท่านเน่าหมดแล้วต้องตายอย่างแน่นอนการที่ท่านรอดชีวิตมาได้ก็เพราะบุญกุศลช่วยไว้นั่นเองจึงถือโอกาสสอนญาติโยมที่นั่งแออัดกันอยู่ในห้องจนล้นเลยออกไปนอกห้องว่าญาติโยมจำไว้เลยนะเราทำกรรมอะไรไว้ต้องรับผลทุกอย่าง ถ้าทำกรรมดีก็ได้รับผลดีถ้าทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วถ้าทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วใช่ไหมคะโยมวัยห้าสิบเศษถามขึ้นหล่อนโรอโอกาสนี้มานานพระบัวเหี่ยวท่านคงไม่รู้ว่ามาลัดคิวหล่อน ถูกแล้วใะโยมอย่างอาตมาที่ทํากรรมชั่วไว้มากตอนยังไม่ได้บวชเกือบต้องตายหลายครั้งทั้งรถคว่ำทั้งฟ้าผ่าทั้งไส้เนา่าแต่บุญกุศลที่อาตมาทําไว้หลังจากที่บวชเป็นพระก็ได้ช่วยให้รอดตายมาได้ดูอย่างครั้งเนี้อาตมาก็คิดว่าต้องตายอย่างแน่นอนแต่ก็รอดมาได้ ถ้าไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมารับรองว่าเรียบร้อยเรียบร้อยอยังไงคะหล่อนไม่เข้าใจท่านพระครูตอบว่าก่อตายเรียบร้อยไงละ่ะเสียงผู้ชายที่นั่งอยู่หลังห้องพูดขัดขึ้นว่าไม่เรียบร้อยหรอกครับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ได้เล่าให้ผมฟังว่าหลวงพ่อตายแบบไม่น่าดูเลยคอก็หักศีรษะก็เปิด ไปถึงข้างหลังสบงชีวรขาดรุ่งริ่งจนเกือบจะโปะหงพ่อยังบอกว่าตายเรียบร้อยอีกแม้โยมฉีกหน้าอาตมาซะแล้วแบบนี้อาตมาก็อายเขาแย่นะสิท่านพูดยิ้มยิ้มคนฟังพากันยิ้มตามท่านไปด้วยผมกราบขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจโหรดรุนขอขมาลาโทษรู้สึกดีใจที่ได้ยั่วท่าน หลวงพ่อคะดิฉันมีเรื่องอยากรบกวนถามสตรีอายุราวสี่สิบเศษพูดขึ้นหล่อนเป็นอีกคนหนึ่งที่ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเคยมาเข้ากรรมฐ า, านที่วัดป่ามะม่วงสองครั้งตอนนั้นยังไม่ทราบว่าท่านพระครูเป็นพระอรหันต์พอรู้จกักหนังสือพิมพ์ก็เดินทางมาหมายจะถามข้อข้องใจจากท่านพระอรหันต์เพราะเชื่อ ว, ว่าท่านต้องตอบได้แน่ เรื่องอะไรล่ะโยมถามมาเถอะถ้าตอบได้อัตมาก็จะตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยหลวงพ่อต้องตอบได้แน่นอนค่ะเพราะหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์อ๋ออย่างนั้นหรอกฤรืแล้วใครบอกโยมล่ะว่าอัตมาเป็นพระอรหรันต์หนังสือพิมพ์ค่ะพี่ฉันมาเข้ากรรมาฐานที่วัดหลวงพ่อสองครั้งหล่อนตอบพร้อมแสดงตัวว่า เป็นสิทธิ์ของท่านอย่างนั้นหรอกหรืออ๋อเชื่อนังสือพิมพ์ท่านพูดยิ้มยิ้มเอาละจะถามอะไรก็ถามมาถึงอาตมาจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตามที่นังสือพิมพ์บอกแต่ก็จะพยายามตอบท่านอนุญาตคือดิฉันสงสัยอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าข่ามดบาปหรือเปล่าคะ ตอนยังไม่ได้เข้ากรรมาฐานดิฉันคิดว่าไม่บาปก็เลยฆ่าไปมากมายแต่พอเข้ากรรมาฐานแล้วดิฉันคิดว่าบาปค่ะเพราะมดมันก็ไม่ีชีวิตตอนยังไม่เข้าโยมคิดว่ามันไม่มีชีวิตหรือก็คิดค่ะแต่ที่นี้แม่สอนไว้แต่ดิฉันยังเด็กๆว่ามดมันเป็นสัตว์ที่ไม่ดีฉะนั้นฆ่ามันได้ไม่บาปแม่บอกว่าพระท่านสอนค่ะ พระที่ไหนอยู่วัดอะไรทำไมถึงสอนแบบนี้ท่านพระครูนึกไม่ถึงว่าจะมีพระที่โง่เขลาเบาปัญญาเช่นนี้อยู่ในประเทศไทยพระที่ปักใต้ค่ะอยู่วัดข้างบ้านดิฉันเองตอนนี้ท่านตายไปแล้วแม่ดิฉันเพิ่งตายไปเมื่อปีกลายดิฉันสงสารแม่มากค่ะและก็นึกโกรธพระรูปนั้นที่สอนให้แม่ทำบาป คือพอท่านสอนว่ามดมันเป็นสัตว์ไม่ดีฆ่าได้ไม่บาปแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามดมาตั้งแต่สาวจนแก่ตอนหลังๆแม่ป่วยเป็นอมาพาสกระทั่งตายตอนตายหลวงพ่อทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่หล่อนร้องไห้เกิดอะไรขึ้นหรือมดมันมาจากไหนก็ไม่ทราบเป็นพันๆตัวเลยค่ะมันพากันมากัดหูแม่เต็มไปหมด แม่ก็ร้องมดกัดมดกัดกระทั่งขาดใจตายดิฉันสงสารแกเหลือเกินไม่รู้ว่าตอนดิฉันตายจะเป็นอย่างแม่หรือเปล่าล่อนเล่าไปก็ร้องไห้ไป